สรุปคำตอบที่พระพุทธเจ้าตอบพระพุทธนิมิตก็คือว่าความดีใจความเสียใจมีภาษาเป็นนิทานเมื่อภาษาไม่มีความดีใจความเสียใจจึงไม่มีความมีและความไม่มีก็เกิดจากภาษามันแม้กระทั่งอุดเชืาทิฏฐิสัสตติทิฏฐิก็เกิดจากภาษาเนี่ยนะพระพุทธนลมิตรก็อาศัยคาตอบนั่นแห ล, ละก็ถ า, ามต่อไปว่า ภาษะในโลกมีอะไรเป็นนิทานความยึดถือมีมาแต่อะไรเมื่ออะไรไม่มีความถือว่าของเราจึงไม่มีเมื่ออะไรมีภาษะจึงไม่ถูกต้องขออภัยเมื่ออะไรไม่มีภาษะจึงไม่ถูกต้องสรุปว่าภาษาเกิดจากอะไรความยึดถือเนี่ยเกิดจากอะไรความไม่มีเนี่ยนะเกิดเรียกว่าเมื่ออะไรไม่มีจึงไม่ยึดถือว่าเป็นเรา หรือว่าที่ไม่ยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยเพราะอะไรบ่างันเมื่ออะไรไม่มีภาษะจึงไม่ถูกต้องก็สรุปว่าคำถามคถามก็คือว่าภาษะเกิดจากอะไรความยึดถือเนี่ยเกิดจากอะไรความไม่มีความยึดถือของเราไม่มีเนี่ยนะเกิดจากอะไรบ้างันหรือเมื่ออะไรไม่มีภาษะจึงไม่ถูกต้องั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าภาษะเกิดพ่อนามรูป นนะที่มีภาษาก็เพราะมีนามรูปนะนะคำว่านามรูปเนี่ยอมความถึงสลายตระนะหมดเลยนะเพราะนามรูปนี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งภาษะความยึดถือมีความปรารถนาเป็นเหตุไอ้ที่ยึดถือก็เพราะปรารถนาเมื่อความปรารถนาไม่มีความถือว่าของเราจึงไม่มีเมื่อรูปไม่มีภาษะจึงไม่ถูกต้องเนี่ย น, นะคำถามนี้สําคัญนะภาษะเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามในรูปความยึดถือมีเพราะปรารถนาเป็นเหตุ เมื่อความปรารถนาไม่มีความยึดถือของเราก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อรูปไม่มีผัสสะก็ไม่ถูกต้องอธิบายว่าผัสสะนี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยนามรูปถ้าเป็นที่อื่นก็บอกว่าผัสสะนี้เกิดเพราะอาศัยอายตนะใช่ไหมแต่ตรงนี้พระองค์แสดงไว้กว้างเลยว่าผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามรูปอธิบายว่าจักขวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจกักโสและรูปประชมธรรมะสามประการคือจกักโสรูป ในส่วนรูปเนี่ยนะและสัมปยุตรธรรมในส่วนนามเว้นจากขูสัมผัสเป็นภาษาภาษาเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามและรูปแม้อย่างนี้นะเพราะอาศัยหูอ า, าศัยเสียงอาศัยรูปที่เกิดร่วมกับรูปอาศัยเจตสิกทั้งหลายจากโสจากขูวิญ ญ, ญาณ น, นั่นแหละภาษาจึงเกิดขึ้นเนี่ยนะโสตาวิ ญ, ญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยหูและเสียงประชุมทำสามอย่างคือหูเสียงนะ หูกับเสียงเนี่ยเป็นรูปสัมปยุต ธ, ธรรมเนี่ยเป็นนามเว้นโสตะสัมผัสเป็นผัสสะที่เกิดขึ้นเพระาะอาศัยนามรูปแม้อย่างนี้เพราะฉะนั้นผัสสะในทวารหูก็เกิดจากอะไรก็เกิดจากหูเสียงโสตะวิญญาณใช่ไหมขานาวิญญาณเกิดขึ้นเพระาะอาศัยจมูกและกลิ่นประชุมธรรมะสามประการคือจมูกเนี่ยนะคือจมูกกลิ่นในรูปส่วนรูปเนี่ยนะจมูกกับกลิ่นเนี่ยเป็นรูปสัมปยุต ธ, ธรรมเป็นนามเว้นผัสสะ เนี่ยนะเป็นภาษ า, นนะ เ, น า, นาเนี่ยนะคือเว้นขานะสัมผัสเนี่ยนะนามเนี่ยเว้นขานะสัมผัสเป็นภาษาภาษะเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามกับรูปแม้อย่างนี้ชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอสสาศัยลิน้นและรสประชมธรรมะสามอย่างคือลิน้นรสในส่วนรูปสัมพยุติธรรมในส่วนนามเวน้นชิวหาสัมผัสเป็นภาษาภาษะเกิดขึ้นเพราะอสสาศัยนามและรูปแม้อย่างนี้กายวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยกายกับโภทะพะ ประชุมธม asi, รรมะสามประการ verb. คือกายโพธาภา asi, ในส่วนรูปและสัมปยุตธรรมในส่วนนามเว้นกายสัมผัสเป็นภาษาภาษะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยนามและรูปแม้อย่างนี้มโนวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมลมเนี่ยนะประชุมธรรมะสามประการคือวัตถุรูปในส่วนรูปธรรมทั้งหลายที่มีรูปในส่วนรูปและสัมปยุตธรรมในส่วนนามเว้นมโนสัมผัสเป็นภาษาภาษะเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามและรูปแม้อย่างนี้ สรุปสัมนวนที่เราคุ้นเคยแบบฉะฉะกระสุดก็คืออาศัยหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณประชุมสามอย่างนี่เป็นภาษะนะเพราะสามอย่างเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีภาษาก็ได้อาศัยหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณเนี่ยนะประชุมธรรมะสามประการเป็นภาษะหรือว่าเป็นปัจจัยแก่ภาษาก็ได้อาศัยจมูกกับกลิ่นเกิดคานาวิญญาณประชุมธรรมะสามอย่างเป็นภาษะหรือว่าความประชุมธรรมะสามอย่างนี่แหละเป็นปัจจัยแก่ภาษาก อาศัยลิ้นกับรถเกิดชิวหาวิญญาณประชุมธรรมะสามอย่างนั่นแหละเป็นภาษะหรือเป็นปัจจัยแก่ภาษะอาศัยกายกับโพธภาเกิดกายวิญญาณความประชุมของธรรมสามประการนั่นแหละเป็นภาษะหรือเป็นปัจจัยแก่ภาษาเนี่ยนะอาศัยมนโนธรรมะมนโนวิญญาณเนี่ยนะความประชุมของธรรมะสามประการนี่เป็นภาษะหรือเป็นปัจจัยแก่มนโนสัมผัสเพราะฉะนั้นภาษาเนี่เกิดขึ้นจากนามรูปทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจ ภาษาที่เกิดจากทวารตาเรียกว่าจากขูดสัมผัสภาษาที่เกิดจากทวารหูเกิดจากนามรูปในทวารหูเรียกว่าโสตสัมผัสนะภาษาที่เกิดจากนามรูปทวารจมูกเรียกว่าคานะสัมผัสสัมผัสที่เกิดจากนามรูปทวารลิ้นเรียกว่าชิวหาสัมผัสกานะภาษาที่เกิดจากทวารกายนี่นะคือนามรูปทวารกายเรียกว่ากายยะสัมผัส ภาษาที่เกิดจากนามรูปทวารใจเรียกว่ามโนสัมผัสเพรา ะ, ะนั้นภาษานี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยนามรูปความยึดถือมีความปรารถนาเป็นเหตุความยึดถือก็เป็นชื่อของตันหาเนี่ยนะหรือว่าตันหาเรียกว่าความปรารถนาส่วนความยึดถือเนี่ยมี2อย่างคือยึดถือด้วยตันหากับทิฏฐิเพราะนั้นความยึดถือเนี่ยนะมีตันหาเป็นเหตุเป็นนิทาน คำว่าความยึดถือทั้งหลายมีความปรารถนาเป็นเหตุมีความปรารถนาเป็นปัจจัยมีความปรารถนาเป็นกัณะมีความปรารถนาเป็นแดนเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อความยึดถือมีนะความยึดถือมีเพราะความปรารถนาเป็นเหตุยึดถือคือจริงๆอ่ะตันหานั่นแหละเป็นปัจจัยแก่ตันหาตันหานั่นแหละเป็นปัจจัยแก่ทิฏฐิตันหานี่เป็นปัจจัยแก่ตันหานี่นะถ้าดวงถัดเรียกว่าอนันตระชาติหรืออนันตระปัจจัย ถ้าข้ามดวงเป็นต้นปลายเนี่ยนะโดยอุปนิสัยปัจจัยส่วนตันหาเป็นปัจจัยแก่ทิฏฐิด้วยสัมปยุตตปัจจัยอนันตระปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยนั้นไอตันหาตันหาคือความปรารถนานั่นแหละเป็นปัจจัยแก่ความยึดถือเมื่อไม่มีตันหาคือความยึดถือเนี่ยนะเมื่อควา ม, วามปรารถนาไม่มีความถือว่าของเราก็ไม่มีนั่นแหละ เพราะฉะนั้นก็บอกว่าไอ้ความยึดถือด้วยอำนาจตันหากับทิฐิเนี่ยนะถ้าหาว่าหมดตันหาก็จะสิ้นความยึดถือตามพุทธพจน์ที่เราคุ้นเคยคือเมื่ออุปาทาเมื่อตันหาดับอะไรดับอุปาทานก็ดับเพราะอะไรเพราะอุปาทานนี่เกิดจากตันหาถ้าดับตันหาอุปาทานก็ดับเพราะฉะนั้นเมื่อความปรารถนาไม่มีความถือว่าของเราจึงไม่มีความว่าเมื่อความปรารถนาไม่มีไม่ปรากฏไม่เข้าไปได้อยู่ ความถือว่าของเราจึงไม่มีไม่ปรากฏไม่เข้าไปได้คือความถือว่าของเราเหล่านั้นอันพระสมณะละตัดขาดสงบระงับแล้วทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานฉะนั้นจึงกล่าวว่าเมื่อความปรารถนาไม่มีความถือว่าของเราด้วยอำ น, นาจตันหากับทิฏฐิจึงไม่มีนะเพราะถ้าหมดตันหาสอยงเดียวเนี่ยนะแก้ปัญหาได้ร้อยแปดเลยนะแก้ปัญหาแล้วเขบอก ทละตันหาได้สิ้นตันหาได้ชนะทุกทุกอย่างเลยนะเรียบว่าให้ทำเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงใช่ไหมความยินดีในทำชนะความยินดีในปูทั้งปวงเนี่ยนะก็บอกว่ารถแห่งทำชนะรถทั้งปวงเนี่ยถ้าชนะันหมดตันหานะชนะทุกทั้งปวงเพดัะนั้นถ้าแก้ตันหาละตันหาได้สักอย่างเดียวเนี่ยนะหมดทุกเลยนะสิ้นทุกขเลยแหลนะคําว่าเมื่อรูปไม่มีภาษะจึงไม่ถูกต้องเนี่ยนะ เออใช่นะถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นปลายใจจะมีภาษาไหมไม่มีพั้นมหาภูต ร, รูปสี่และอุปาทและรูปที่อาศัยมหาภูต ร, รูปสี่เรียกว่ารูปเมื่อรูปไม่มีคือรูปไม่มีโดยเหตุ4ี่อย่างคือรูปนะถ้าจะดับรูปจริงๆเนี่ยดับด้วยเหตุสีคือโดยการรู้โดยการพิจารณาโดยการละและโดยการก้าวล่วงข้อหนึ่งนะโดยการรู้สองพิจารณา3ละ4ี่ก้าวล่วงข้อหนึ่งก่อนนะว่ารูปไม่มีโดยการรู้อย่างไร ก็คือพระสมณะย่อมรู้รูปคือย่อมรู้เห็นว่ารูปทั้งหมดทุกอย่างชื่อว่ารูปนะรูปรูปรูปปะก็คือสลายไปใช่ไหมรูปทุกอย่างคือรูปปัญะสลายไปรูปทั้งหมดที่กล่าวก็คือมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4ี่พันรูปไม่มีโดยการรู้อย่างนี้คือมีปัญญาเข้าไปรู้จักรูปเนี่ยนะเหตุเกิดของรูปเป็นต้นเนี่ยนะเหตุปัจจัยของรูปทั้งหมดนั่นแหละทีนี้รูปไม่มีโดยการพิจารณาเนี่ยนะ ทั่วคอการรูปไม่มีโดยการรู้คือรู้โดยยาตะปริญญาเมื่อกี้นะเพราะาตะปริญญานะรู้รูปพร้อมทั้งปัจจัยทีนี้การรู้รูปโดยการพิจารณาคือตีรณะปริญญาเนี่ยอธิบายว่ารูปไม่มีโดยการพิจารณาอย่างไรคือพระสมณะครั้นรู้รูปนะรู้รูปพร้อมทั้งปัจจัยอย่างที่กล่าวไปแล้วจึงพิจารณารูปคือพิจารณารูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นรูปโดยความเป็นทุกรูปเป็นเหมือนโรค เป็นดังหัวฝีรูปเนี่ยเป็นดังลูกศ้อนเป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกซรจริงหรือเปล่าคุณบุญชูที่ขาเมื่อกี้จริงอะนะเป็นโรคด้วยนะเป็นเหมือนฝีด้วยนะถ้าบ่งก็ดอกทะลักออกอนะนะเป็นเหมือนลูกซ้อนนะนอนไม่ค่อยหลับต้องใช้ยาช่วยนั่นแหละมันคันมากอะก็มานี่คันมาก่อนแล้ววันนั้นคันที่กายนะดีแล้วนี้คันแค่แค่ขาเนียคันทั่วตัวเลยยุ่งเลยนะเนี่ยเป็นเป็นฝีอย่างเงี้แหละเป็นลูกซ้อนเนี่แหละ มันเสียดแทงเอาอะนะปากก็ถอนออกยากด้วยนะอย่างนีเอาบารมอะไรลงไปก่็แล้วหมดเลยนะสู้ไม่ไหวมันเนี่ยเป็นของลำบากอะนะลำบากจริงๆแหละเป็นอาพาธเป็นอย่างอื่นเป็นชัเป็นของชำรุดเป็นเสียดเป็นอุบาทเป็นอุบาทนี่ขามันก็อุบาทเหมือนกันนะมันคันอยู่นั่นแหละมันก็เรียกว่าอุบาทเหมือนกันเป็นภัยเป็นอุปสรรคเป็นของหวั่นไหวเป็นของแตกพัง เป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของที่ไม่มีที่ซ่อนเร้นเป็นของไม่มีที่พึ่งว่างเป็นของเปล่าศูนย์เป็นอนาตามีโทษเนี่ยนะเป็นของที่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไม่มีแก่นสารเป็นมูลแห่งความลําบากนะถามว่าเป็นมูลแห่งลาบากหรือไม่ลําบากก็ไม่รู้ต้องต้มน้ําร้อนนั่นนะเนี่ยนะลำบากจริงๆอ่ะลำบากนียเดินกระโผลกกระเพลกเลยนะกลับจักุติที่เนี่ยกระโผลกระเพลกกลับไปเลยเนี่ยนะแล้วก็เป็นมูลแห่งความลําบากจริงๆเลยเนี่ยนะ อาคาโมลโตเนี่ยเป็นมูลแห่งความทุกข์จริงๆเป็นเหมือนเพชฌฆาดนะเดี๋ยวมันก็ฆ่ากันเองอ่ะเนี่ยฆ่ากันเองเนั่นแหละเป็นของปราศจากความเจริญเป็นของมีอาสวะนะเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะใช่ไหมตอนที่คันเนี่ยนะยิ้มแป้เลยความสุขวิปัสนาเกิดเลยไหมไม่ใช่เลยนะเรียกว่ากามาสวะก็เกิดอยากหายเนี่ยนะกามาสวะเป็นต้นก็เกิดถ้าไม่พิจารณาเหตุเกิดความดับเป็นต้นก็อวิชชาสวะก็เล่นงานถ้าสําคัญว่านั่นเป็นเราก็เป็น ทิฏฐาสะวะก็เกิดเนี่ยนะแล้วก็พวกนี้เป็นปัจเหตุปัจใจหรือว่าอันเหตุปัจัยเนี่ยปรุงแต่งเป็นเหยื่อของมารเป็นของที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเป็นของมีความโศกความรำพันความเจ็บกายความเจ็บใจความขับแค้นใจเป็นธรรมดาเป็นของที่เศร้ามองด้วยตันหาด้วยทิฏฐิและด้วยทุจริตเนี่ยนะแล้วก็เป็นของที่มีความเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์เนี่ยนะความอาอส สมูทยังคะเนี่ยนะมีรูปเนี่ยเกิดโดยอาการเท่าไรรูปจะเกิดเกิดโดยอาการห้าเพราะอวิชชาเกิดรูปจึงเกิดตัณหาเกิดรูปจึงเกิดเพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิดเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดและนิ้พัติลักษณะของรูปที่รูปที่ดับไปก็เพราะดับไปโดยอาการห้าเนี่ยนะเพราะอะไรดับเพราะอวิชชาดับรูปจึงดับเพราะตัณหาดับรูปจึงดับเพราะกรรมดับรูปจึงดับเพราะอาหารดับรูปก็ดับแล้วก็ วิปริณนามะคือความเปลี่ยนไปของรูปแล้วก็รูปนี้มีอาสาธะอยู่ไหมรูปมีอาสาธะหรือไม่มีเนี่ยนะนี่เนี่ยนะก็อาศัยรูปนี่แหละก่อ mod. ให้เกิดสุกสมมนัตอันใดอ น, นั้นเป็นอาสาธะของรูปและรูปมีโทษไหมก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะนิสระก็คือการตัดฉันทะาาในรูปเรียกว่าการออกไปจากรูปอย่างนี้เรียกว่าไม่มีรูปโดยการพิจารณาเนี่ยนะพิจารณาโดยตีระนาปริญญา ส่วนรูปไม่มีโดยการละอย่างไรก็คือพระสมณะครั้นพิจารณาอย่างนี้แล้วจึงละบรรเทาทําให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีในภายหลังซึ่งฉันทราคะในรูปเนี่ยอันนี้ก็แปลว่ารูปไม่มีโดยยาตะปริญญาตีรณะปริญญาและปหานะปริญญาส่วนข้อที่สี่นะข้อที่สี่ก็คือข้อที่สี่ เดี๋ยวก่อนนะข้อ3ามก่อนว่ารูปไม่มีโดยการละเนี่ยนะยกพระสูตรอื่นมาอ้างอีกว่าสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายฉันทราค่าในรูปใดพวกท่านจงละฉันทราค่านั้นเสียฉันทราค่านั้นจักเป็นของอันพวกท่านละแลว้วมีมูลอันขาดแล้วทําให้ไม่มีที่ตั้งดังตาญยอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลังมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาโดยประการอย่างนี้รูปไม่มีโดยการละอย่างนี้ น, นะเรียวกว่าตัดฉันทราค่าในรูป อันนี้ก็พร ะ, ะมหาทุกขคันธสูตรนี่จะเข้ามากล่าวถึงอัศธ า, าแห่งรูปอาทีนวะของรูปนิสรณะของรูปในขณะเดียวกันนี่สูตรนี้บอกวิธีธ ร, รมยาตะประิญญาตรีนปริญญาปหานะประิญญาในรูปด้วย